ทีค่คนคนก็ประกาน่าว่านีประตูวิสิทธิ์เปโลกถ้า ว, ว่าข้าพเจ้าเกิดมาใ น, าาานาชาติใดๆขออย่งข้าพเจ้ามีรถเลยค้อหนข้อสองข้าพเจ้ า, าเกิดมาในชาติใดๆขอยอย่างข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเลยขอ้ยอค น, นึ่ที่ประตูไม่เป็นอบนะเัราะประกาศน่าว่ามีปะตูวิสิทธิ์มี น่าจะไม่อบแต่มันเล็ก้ยงปาขัดเซ็งลำเลยนะเฮ้ยดิฟากออกไปได้เลยเนี่ยขัดเซ็งล้ำใช่ไหมขวางทางเราที่จะเดินไปนั้นนะถ้าเรพิจารณาอย่างบุคคลธรรมดาเราก็ไม่้อบถ้าเราถ้าเราพิจารณาอย่างทึ่สิ้นอย่างนักปราชญ์เก no. ็ชอบหละอืมกันว่าเกิดมาในชาติใดๆก็ยัง้าไปจำีรถเลย จะยศมันก็มีจังนั่นแหละแต่วางมันไว้มาให้มันขวางทางเรามาให้เดือดเปรี้มาให้เดือดร้อนนี่ขอให้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเลยมันจะเป็นเศษผีไปได้อย่าอไปถือมั่นถือรั้นมันเลยก็เป็นคนมีทรัพย์นอนในกองทัพย่จะให้แกมมีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ไปยึดมั่นที่มันมาทุกข์ในในความมั่นมีรศแต่อย่ให้มันเป็นทุกข์มีทรัพย์สมบัติแต่อยาให้มันเป็นทุกข์เนี่ย ถ้าคิดอย่างนี้สบายใจเลยมั้งมีคิดพิจารอย่างนักปราศกันทรานั้นมีเยอจะไปวางไน่ดมีทรัพย์สมบัติจะไปวางใน่ัดคือคือมีเยมั่นถือมั่นมันเขินไปงเราเป็นทุกข์เหมนนี่มันชอบนี่แหละธรรมะถ้าเราฟังในถูกฟังดย่าหนึ่งมันจะไปในรูปอันหนึ่งถ้าฟังให้มีทัพยในเยอะใหวงทางเต็มลำนะ ถามที่จะพูดสิดปากเลยกระทาง่งเาจะเดินไปนั่นหนอปิดทางล้วแลยนะถ้าเราเรื่จากธรรมะอะไยมันสบายมีลากมีรถเนี่ยมันก็มีเป็นมาแล้วก็วางอย่าไปแบกมันเป็นขัววะตนยึดของตนเป็นร้อยสป็นแสน<ม>ให้ถืเสมอว่าเป็นปัดใจที่เราอาศั ย, ยอยู่เพราะกล่าวทีกเมื่ที่วานลราไปจากกันไป แต่ทําให้เราเป็นทุกให้ยึดถือความพอดีแบบลาบยดสรรเสริ น, นั้นให้เชื่อเจ้าของเองถูกเขาดินทาก็ให้เชื่อเจ้าของถูกเขาจันทร์เสริญก็เชื่อเจ้าของไว้บางคนถูกเขาดินทาแล้โกรธเลยลไม่รับฟังอะไรเลยของดีๆอยู่ตรงนั้นมีอยู่ทำไมไม่เอาละ่ะอืเขาดินทาว่าเราไม่ดีเราดีหรือไม่เราควรรับฟังถ้าอะไรไม่อยู่ตัวเราไปกแยกมันออก นะเขาเป็นอะไรนั่นเนี่ย้องยีนี่นั่นเนี่ยบางคนแต่เขมีทาเนีรับฟังเลยนะโหลดท่าเดียวเลยนั่นคือคนไม่มีสัญญาท่านนักบ่าแต่นั่นแหละเขาสอนเราเพราะว่าเราไม่ดีจะมีอะไรบ้างไ ม, ไม่ดีไม่ดีนั่นมีไหมก็วควรดูเหตุผลมันอาจจะมีก็ได้นะแต่เรามองไม่เห็นมันต้องพีจะนานถ้าเห็นที่ว่าโอ้มันไม่เคยแล้วก็ไปแยกมันออกแยงออกแยมันจะปหมดไป อันนั้นคนที่ถูกมิณาคนมีปัญญาแล้วค็เปิดประโนประโยชน์ที่ิาเขก็ไม่มีเยอะแต่เราก็เคพิจารณากั น, น, นที่มีถูกกันแต่เฉยแต่ชอบชอบอะไรเสียกันแต่เฉแล้วก็ดูที่มีท่ออะไรดีเนี่ยมันดีที่ตร ง, ตรงไหนถูงหรือไม่นนัางทีเขาว่าดีพราะชอบกันเฉยเฉยตรงนี้ไม่ต้องด่อะไรมีแต่ชอบกันเพราะว่าดีตรนี้ถ้าความดีตรงี้ล้วก็แกล้วไปถ้าเาเว่าถ้าไม่แล้วเนี่ยไอ้พวไม่ดีเดยตรงนี้อยู่ก็จะติดเชื้อ เนาะนล้วเราก็สร้างอันนั้นเป็นเฮมันดีห้มันพอได้่นอรีนั้นเนี่ยเป็นนั่นคนถูกยินพาคนถขกเป็นกระแสนั้นถ้าคนมีปัญญาและวก็จะมีกาไรให้เราว่าได้เรื่อยสบายอนกันมันจิตเดียรปัญญาเป็นสติอิสตินะอย่างนี้ที่สุดอเพติเขายินพาน่ะินพามนตใจมันก็าเป็นระแสนั่นมันมีสุกมันลึกมันสมลงลึกไม่ไคมองดูตัวถ้าเราว่าไม่ดีเร่อินามันออออกมาคิด ปัญญามันจะเติบขึ้นะน่ะอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มอคนมาให้เราเราควรรับฟังรับฟังทั้งสองอย่างเรียนประโยชน์ทั้งสองอย่างร้องยินทาเราก็ขอบคุณว่าอใใิจัยคนนี้นนะเขาจะได้เสริมเราก็จะขอบคุณมากใ้พูดถึงปาดออกมาเพราะว่ า, านิจัยเราอมเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ตัวของเราถ้าปลาดท่านประสอนอย่างนี้อืย ค, คนที่มีปัญญา จงรับเอาความรู้ทั้งสองอย่างีที่มันเกิดมาคนไม่มีสัญญาตัไหนรับเอาความรู้ในที่เขาอินชาในที่เขาเซนเซินเนี่เถ้าเราศึกษาธรรมะเราจะรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ปัญหามันก็น้อยลงน้อยไปน้อยแต่ตัวมันจะหมดไปนัตติโตติอานินติโตคนใน่ผูกอินชาไม่มีในโลกเราจะไปเจ้าสอนไปที่ไหนตัวไนคนเราะงั้นเราจะไปเชื่อมองไม่ในที่เขาเซนเซินเราเราอินชาเราเราคนเชื่อตัวเรา เรายังไม่ดีเพราว่าดีเป็นความเสียเขาเพราะเราอยู่ในเราเขามีชาเราว่าไม่ดีก็ได้ไม่มีอะไรเป็นความเสียดเขาแล้วปล่อยมันไปก็ได้ดีทั้งสออย่างถ้าคนเราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหามันก็น้อยมีสบายือมีสบายอยู่ในธรรมะก็ไม่มีอะไรไม่มีใครถ้าเราดูตามจริงนแล้วก็มีแต่เรื่องเป็นเหตุเชื่อจอกศึกษาทั้งนั้นในโลกอนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติเรจะต้องมาศึกษาศึกษาตามธรรมชาติทั้งนั้นก็รู้ว่าแต่เจตควรเป็นจริงแต่นั่นแหละมีเจตควรจริงแต่นั้นมันจะแสดงในโลกอันนี้เราไม่รู้เรื่องพวกมันเราไม่ได้จับเอามันจะเกิดอันนั้นชอบอันนี้ไม่จบอันนั้นเราสุขอันนี้เราทุกข์มาเรื่นยวุ่นวายธรรมชาติท่างหลายสอนเราทุกเวลาทุกเวลาอย่างของเจริญรักเราแพงอย่างที่วัตถุอันหนึ่งเจริญรักมันมากมันตกก็เราไปรักมัน ถ้ามันพูดเป็นมันจะพูดอย่างนี้ว่าอท่านอย่ามาจะเป็นอย่าอย่ามาเป็นเจ้าของของข้าอย่ามาเป็นเจ้าของของข้ามันจะเป็นทุกข์มันจะสอนอย่านี้ทุกเวลาอืมวัตถุอนันตเนื้อมันพูดไม่ได้มันพูดไม่เป็นแต่มันแสดงอาการแตกอาการหักอาการพังอืมอาการแตกอยู่เสมอเฉลีงยก็ชนะดีกว่ามันเนะเพื่ยงกลัวไปจะไปยึดมันถือมันมันกยิ่งแรงแต่เราก็ไม่รู้จักมันแตกเราก็เศ้าใจ มันไม่แก่เราไปใจเราสบาลเรืองนี้อ่ะไอ้ัวเด็กจิงเราไม่รู้แก่ธรรมชาติมันไม่อด้ธรรม่าติมันเองธรรมะเล็สบายจะอยู่ในฐานะอันใดก็สบายจะเป็นใหญ่เป็นโตก็สบายอืมเป็นต้นจะเป็นในเพศมันก็สบายถ้าเราคิดถูกแล้วมัน่อสบายถ้าเราเป็นเด็กอยากจะเป็นใหญ่เนี่ยอหมั้นใครเราดูถ้าอยากเป็นไหญ่เนี่ยกว่ามันจะสบายอ่ะเป็นใหญ่จะใหญ่เป็นทุกอย่าง มันบังมีหรบอบังก า, า, ารนประมาธิึงมันก็ไม่ค่อยสบายเหมือนเราเป็นเด็กเราดูตามไม่สบายเราดูต่ำไม่สู้ถ้าสูงเกินไปแล้วก <material> ็ไม่สบายกลัวมันจะหล่นลงมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราคิดถูกธรรมะถ้าเราคิดคิดถูกธรรมะแล้วก็ไม่มีสูงไม่มีต่ำมันก็จะดีธรรมชาติปัญามันก็น้อยเดงนอยู่ในฐานะว่าในฐานะสรรมนัในฐานะข้อค่าในฐานะขั้นการบางอย่างทุกส่วน ก็คิดนังไม่นองอันนี้ถ้าเราคิดถึงธรรมะเมื่อไรใจเราก็สบายพราะพะพุทธเจ้าท่านได้พ้นดูอยากจะพ้นสี่งที่เป็นตัวของเราเนี่ยมันจะเป็ความสบายมั่นคงอไอ้ความเห็นนี่มันมั่นคงไอ้ความเห็นที่ถูกต้องนี่มันมั่นคงไอ้วัตถุที่ในตัวของเราและนอกทายของนั้นมันจะของไี่มั่นคงไอ้ตัววัตถุเรื่องอันดีจังตัวขังอนฌานเป็นเรื่องของที่มันคงยึดหลักอันนี้เป็นของที่สาคัญมากอั่นนั่นเพราะพระพุทธเจ้าของเราที่จะสอนมาเลย ส <2500 S 1> องพันห้าร้อยมัวดีมาแล้วแต่จะทําอันนี้ยังตั้งมั่นอยู่ไม่หายไปทางไหนเลยคิมคือว่าฉันว่าทำดีก็ดีทังชั่วมันดีชั่วเป็นต้นถ้าเป็นฟังสูกนังมันยังถูกอยู่นะถ้าคนฟังไม่ถูกมันก็ไม่ถูกนะแม้คนนั้นทำชั่วทำไม่มันเลยดี อ, อย่างนี้บางทีทําดีอย่างมันชั่วเป็นต้นอันนี้มันคือประเดียดแย่หาอืเวลาทําดีมันจะดีขึ้นนะคนไม่ให้ดีอะไรก็ดีจะเรียนอะไร ใจดีเดียวก็ใจเาดีความใดีไม่ใช่เปนดี่าทนั่นไงคนเราให้ดีเนตนมันก็ดีคามันเป็นดีูแล้วมันเรใหญนั่งถ้าเราเสียตัวของเราแล้วแล้วก็ไราทำดีเดี๋ยวถ้ไม่ดีมัสบายเลยถ้าเราทำไม่ดีก็ี๋้าดีแล้วมมันเสียงตามไสบายเลยแต่เป็นตัวของเราเราไปเสี่ยคนอื่นนเอาของไปฝากแล้วอมันย่อถ้าไป้คจะเป็นความันของจะของจรง มีหลักฐ า, านมั่นคงที่จะจ้องอยู่อันนี้เป็นธรร ม, มกของพระพุทธรรมมเจ้าของเราธรรมาของพระพุทธเจ้าของเราก็เจอของเราเลยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราเราเอามาปฏิบททัติใครปฏิบัติมรนคตรบังแก้กันหาได้ทุกอย่างถึงแนนม้จะมาเสียบจะไข่มาแม้แว่าคิดถูกถ้าคิดถูกมรรคตสบัยบางคนทีเสียบไขมาจตายนี้ยงจะตายเนาะตัวจะได้ยเยกะนต่ไม เป็นโรคอะไรพวกจไม่หายตัวมันก่อนในทุกคนเพาะนั่นไ่แยมันไม่ได้หรอกบอกาเอาแต่ตก็เอาเป็นก็เอานี่มันสบายอาาจะเ็งเ้าตายงีงนพมันเริ่มไม่สบายแล้วตายเาเป็นเอาขาเอาไขายอย่างได้หยุดอตัวลมันก็สบายเไม่ต้องตามหรอ ถ้าเราเจอัอย่าตักัวจอเมื่อตายตัวตายตัวทุองนี้ทุกขอนคือคนนธรรมะเอปัญหาร่งนี้ค่ะบาอยู่นังเลก็พูดเรื่อพที่จริงัเลยอืผมอไม่่ไเยทำนั่งเเลยายังไแล้วก็มีสติแบบเลือดทยังไงดีะ ในวีดีมนกจะมาอะไรอยนเนียเดียวนี้เราทำอะไรอยู่เราลู้ม้าเราเรลิสได้นะเรู่ม้าอืมเหมือนบ้านนั่นแหละถ้านื้อจากบ้านเาไปในจิตตะตัวเราจะคิดจะทันอืมคือนับถึงมามันจะมาทิ้าสมหมดคือของไม่อยู่ในน้มนไม่มีสติไม่มสติสัญญาไม่ควบของอยู่บัดนี้เรพูอะไรอยู่บัดีาอะไรอยู่มนี้เาคิดอะไรอยู่อนี้ ก็ต so mm ้องอยู <pe> ่ก <A> ับต <B> ัวของเราเสมอไม่เคยผันตงแต่เน้ยเมนรในบ้านของเราในโมยบ้านขโมยนารู้เนี่ยเราอยู่ในบ้านเราม่ได้นอนหลับแบบน้ไขโมยกันมาเราจะไม่รู้เรื่อ่างเรามีอยู่บ้านแต่ที่จะไยากของไราไอยู่ที่นี่ในเรื่องจากเรามันเต็มไปให่นะต้องไปรู้ใช่ไหเนี่ยจะต้องสถิติเป็นมันมากแต่ไอแท้องคนใ้ในบ้านนความหลงคนมาบ้ามันจะเปียดจของบ้านมาียามา สิตยุติริได้จากระจาความรู้ตัวนะฮารมมาเกิดขึกนมาสถิตย์าเป็นญาณุนจะเรียกปัญญามาตรวจดูมันก็ทำตกดีต่เราไม่อยู่ที่นั่นแล้วไปที่อื่นไปเอโรงหนังนี่ยอืมังมใครเข้าบ้านเนี้ยมันก็แล้วทันหรือมามันก็หมดขโมยขโมยของก็หมดไม่ดีใจไม่้ายไม่ิดของเจ้าของอยางัง้ยแล้วมาคุ้มครองเนไดของเราเนี่ยมัก็ไม่ได้ผู้ไม่ดีเรื่องของเจ้าของทำไม่ดเรื่องของเจ้าของ คิดใจเราเราอยู่แล้วก็อนไก็ไม่รู้เรื่องของเรามันก็ลำบากเหมือนกันเพาะนั้นพระพุทเจ้ากัอยู่กับที่รู้ตัวว่าเราจะต้องอยู่ี่สภาวินิจัยวย่องี่ตัวตอพยายามกั่นกนพยายามตัวคือจะมาแต่่เป็นเรืงมันผ่นดีค่ไมันผามันกลับมาผานเหตุการณ์นี้พระพุจ้า้องการดูที่ตัวของเจ้ของแบบนี้ไป ออกสีผ่านฉะนั้นเป็นที่หนึ่นระวังระวังเาารื่องการสังวรระวังตางโหูจมูกยิ้มกายถ้าในรักษบจับสี<ม>สนี้ถ้าเราประมาทแล้วมันเกิดความผิดขึ้นมาพูดคิดกระดับรูคิดกระดับฟังคิดกดับคิดคิดมระดับนี่เพราะเราไม่ระวางังไม่มี้ิทธิ์มจะเกิดยุ่งนมาแม้มันเกิดยุ่งขึ้นมาสมาธิไม่พอใเติดเพราความวุ่นวายและความจริงอารมณ์เดียวก็ไม่มี กรณีศมันจะมีโู้รักษาระวังอยู่ติูกเรารู้จยกูมันมีความปิดก้อมปิดเมาที่แล้วก็ยึดยวามันยึดเยื้นันะมันเป็นธรมาติแล้วเนามัม่ใชเราทำมาเือรเราทำอร์อยู่แล้วปัญญามเคดงาวแตก็เนาะมเป็นศิลมันเป็นสมาติมันเป็นปัญญาเป็อังดเดนยังนี่่ะไปจเจ้าไเพราว่าจได้ ไไนนก้นใ่ก็ได้ก้นนูนก็ได้ไ่ากอะไรแต่ราด้วยอย่างราฝึกเหมือนคนฝึกถ้าคนไม่ฝึกมั น, มนทำมาขานนด <c oughs> มมทานดนนมนนะว <c oughs> ันนี้โกงผงกันนิดหนึ่งวันนี้โกงทั้งกันนิดหนึ่นี่แหละมาทุกข้องหนึ่งตกนรกมอพุกตลอดบันนตกนรกแต่ฟงหวันเป็นใหญ่แล้วมีทุกขทันรกวัี้ก็ตกนรกไม่เห็ดีด่าวกันเลยตกขามนมีบางเม่ อนะอไอ้ควา ม, วาามาทุกข์เบ่อีอะไรงอย่างลเตจะมาทความัวทุกข์มาดีอะนั่งมาลบไปในเจตร่งตมองาอา น, ะนาล อ, อยู่นแล้วก็ท่องันในเรื่องนั่นนลเ <c oughs> นบะรนะินจ ะ, จะามีความิิใปจบ ซึ่งสัทธาอะไรสรัทธ า, ารมารมังกรเทพมังกรบาลนั่นเป็อารมณ์ของสวรรค์ด้วยตามภาษาพูดซึ่งโลสวรรเนนะี่ยมันขึ้นบ่อยลงบ่อยอย่างนี้มันขี่ไปสวรรคนมันขี่ไปนรกก็ค่อย ไ, ไม่ได้เรื่องของนรกไม่ได้เรื่องของสวรรค์แต่ไมว่านรกก็ไปขี่ลงพื้นนู่นนี่อะไรเนาะนันเนาะพอจะเป็นสบรรค์มองไปโน้นนี่มันมีไปโน้นมีไปนี่ไปโน้นอะรก็ได้เน เวลาเห็นตรวจด้วยธนาคารอยู่ตรงนี้ด้านปรมัตยธรรมต้องตรงนี้นะดูอย่างเป็นตัวเเนออนนูปรมัต์ดไดี้นเป็นเรื่องอิลไปกหนดดูดิางนอนกำหนดดิถ้าสุขอรมาุอารมีัญญาไม่เคยหยุมันจะเากันอาารนความที่เป็นกมันเป็น เวลนย่นกัหมา้เนเตียงหมูมองเป็นเียนอแต่เรารว่าหมูมันเป็นอย่างนั้นแต่หมันเป็นหมูแต่ยื่นกันมันหมาเป็นหมาเนียมันเป็นไัอย่างก็งมันคือมันแค่ไหนเขาเล่นมันเป็นมีปัญหาเนี่ี่เป็ารูหมููหมาเลยเลยที่แท่จงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเปลี่ยนของมันเปลี่ยนอันิีจังมันไม่แน่นอนมันเที่ยนตุขังมันเป็นตุข้าในใจมันเปลี่ยนมันก็เป็นปิกนย่งนั้นของมันเป็นอย่างนั้นแต่แม่ซ้อนกันอยูแต่มันซ่อนไ้มันจ็ซ่อนอยู่กดแต่ั ทุกขังแต่เราถ้าเราไปผืนมันไมเป็นทุกข์มาเพราะอะไรอำาจไม่ควรไมหมายมันพ่อไม่เ้าของเราไม่เจอเราเนี่ยอ้าตาก็พอทำงานหน้าตาก็พมันมใ่เรองยากที่สุดแล้วแต่ก็พอแต่ว่าทุกข์นี่มันเป็นคนจัญจ่าครับัอาจารย์ทั้งพ่ออิัญจาันจะเปลี่ยนด้วยเปลียนด้วยเียนด้วยเปลี่ยนด้วยอัตตามันมาเคาะ ของมันนเออ่กแล้วมันก็ุบเหร่วอมันเ็อย่างแล้วก็ปล่อยนเดิมัของมันี่เนี่ยนั่นคืองจรี่จะทํานะเออของจริงเลอย่าก็ของจริงมันจิงาเออมันเ็อย่างนี้ตรงนี้อ่าเ็นงจนี้ก็จะทํงมันเ็อย่างน้อยไม่เตไม่จะนของเ่งะมเต็มอย่างน้มันตมมันมอ่น้มันเอย่างีไม่เต็ก็จะัิมไรเตอนี้กนี้กมดแล อดจังความมนเที่ยงฤทจังของมันเที่อนมันซ้อนกันอยู่มัน้องกันอยู่ไอ้ที่มันถึงควาทุกข์ถ้าเราไปเห็นเทื่องของเป็นทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่บทํายทำลาทุกข์ถ้าเราเห็นว่านังขานเที่ยอแล้วก็ทุกข์ถ้าเ่าไปยึดมั่นถือนแห้ะใช่ครับใช่เห็นคนมจริแลาแล้วยังไงมันถึงจะทุกข์ก็เห็นมันในเที่ยงมันกลับกันยง ที่เราเราไม่อยากไม่อยากจะให้มันกลับแล้วมันไม่เป็นของเที่ยงเขามันกลับไปกลับมาแล้วไม่อยากให้มันเสถียรอย่างนี้เดี๋ยววันจะเอาเที่ยงตรงนั้นที้เราเห็นมันเที่ยงคือมันอยู่อย่างนี้มันเที่ยงตามวิธีของมันมันเป็นอย่างนี้มันจะม่เป็นอย่างเนี้มันเป็นอย่างเนี้เที่ยงอะไรสมห้ก่อนเราคอยแยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอะไรไปไหนเลยเนี่ยเที่ยงตรงนี้เดียกว่าเราจะได้ตามอำนาจใจของเราของนั้นไม่ใช่ของเราตรงนี้ คือมันเปรี้ยงคือมันไม่หยุดอย่างนี้ม่ได้แต่เหตุมันจะอย่างนี้อย่างนี้ประโยนนี้ปล่อยไหมครับเถอะมันเปี่ยงแล้วมันจะเป็นข้อเสียงอย่างนี้มันจะเป็นข้อเสียงอย่างนี้นี่มันยอมเป็นอย่างนี้แม้วตอนนี้มันเข้าาจยากกันนะครับจังเป็นหนังให้มันเกิดขึ้นในความต้องคิดนะคงเสมอแม้ผมคิดมานานนี่ยคือคือคือคือความคิดอย่างนึงความพิจาราอย่างหนึง นนตรงนั้นเป็นั่นมีเป um <is it? S 3> ็นความคิดะฮะก่อนนี้เริ่มแท้ไอ้คนคิดมันเป็นปัญญาไม่เป็นมันเป็นส้นเป็นเหีมันคิดอย่างนี้แต่เดี๋สมบุกทีเวลาทำสมบแล้วก็ทสบุกเมื่อข้าการเจราครุบเราไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นอันนั้นมันคือคนคนหนึ่งมาแสดงตัวอยู่ในที่นันที่สบุกนั้นเราเป็นคนฟุตยมองอยู่รับฟังท่เฉยขนาดนั้นมันปรากฏขึ้นมาเลยนั่นเรื่อการเจรนาอยู่ในความสงบุกมันเกิดขึ้นนะ ไม่ต้องแบบไปคิดแบบตรงนั้นมันเป็นยังไงตรงนั้ น, น, นมันเป็ น, นยังไงไอไอไอไตัวศึกษาตัวสงบเนี่ยตัวพิจารณาในค่ายกาับศึกษาทางน้านจิตค่ะแ้่ค่าจะศึกษากับบุคคลคนหนึง่งแต่คนคนนั้นไม่มีหรอกแต่มันมีความผู้ไอมีมีการตอบมีการรับในตัวมันไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันสงสัยไม่จบจะยืนจะเดินจะนอนอันนี้มันตอนน้องมีเรื่อยพิจารณาเรื่อยๆมันเป็นเรียงของมันต่อเมื่อหากมันรู้ความเป็นจริงอันนี้มันก็ลอยตามธรรมดาต่อ นั่นเรียนว่การพิจารณาในที่สงบอันนี้เราพิจารณาเรื่องสัญญาความจํำแปลงนั่นหมายรู้อันนี้เราจะเป็นสัญญาเป็นปัญญาใช่เป็นสัญญาสัญญามีบางคนไปจำว่ามันเป็นปัญญาแะแล้วเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นสังขารม่ใชจริงไม่ใช่จอิิคนจริงมันไม่ใช่มันใกล้กันเหมือนการโคกกระกอย น่ายจจักท่านทียนไม่ได้เอก็ขอแทนค่าคนไม่ได้ทำลายทำลายจัตูมันเป็นไห้มันจุดชนกันจะเอาทางไหนจะเอาทางบันหรือเอาทางสมบัาแล้วแต่ถ้าปัญญาตามมันก็ต่อเงเนเนย ในพวกนั้นเขามีปัญญามากกจริงแต่มันมากเลยปัญญาสามมันมาห่วงมันเน่าน่ะในรถหนึ่งมันก็เน่าใส่ไหมไรในรถนะมมากตืวแกกันวมันมากในคนมีปัญญาตัวแม่กันพระพุทธเจาสันหลมันมากกวติ้งแก่ว่าปัญญาสามมันใส่ไม่ใส่ปัญญาทีดีย่างงั้นไอธรรมะถ้าคนปกครองประเทศชาติมันมีธรรมะ้าไม่นเป็นธรรมะมันก็ไม่ปกครองกันยากมันสบาย ขอพรอย่างนี้ที่สุดแลรกหนึ่งแต่ว่ามันทํากันไม่ได้คือคนไม่ยอมรับอย่างคนเคยมาอขอพรดีกับอัตมาเนี่ยแหละอย่ตามไทยแลนด์ตามโน่นเชยมาขอพดีอัตมามาของรดี ม, มันเยอะหรอกเชยไม่เอาขอเฉยๆอย่างนี้นตั้งมาใว่าเอาครับเอาเอาอยากจะได้ขอพรดีอยากจะเร็วครับอยากจรระกเจ ร, ระเว็วจนะจบเคยการลูกระเบิดเขาเนี่ยเขาได้ อาจจะมาไปมองระเบิดเข้าลงในภูเขาในไม่ว่ามีอะไรจะการมาแล้วนอกจากไม่วางระเบิดจะดีกว่าอ๋ออาจจะมามาค้องนี้คืออย่าไปทํากันเลย น, นั่นดีที่สุดแล้ว<ะ>นั่นนะคือดีที่สุดนะอืม น, นี่คือการปกคร้องอยู่ธรรมะไม่ต้องทำอะไรกัน<ะ>มันเป็นธรรมอาวุธอาวุธฝึกธรรมะโอเคโดยธรรมใช่อืมแต่มันแต่มันทําม่ได้ในโลกให้มันยากทีละกคือมัน ต้อจับฆ่าคนงั้นผมเป็นผู้ภาพากษาครับครั้าผมตัดสินบ้านที่นี่จเป็นบบนักเกินสงาบันศีลมันมีกฎหมายไม่ค้นไอ้ที่นี่ไปนึกถึงตัวสถาบันบาปมันยึดหลักไอ้ท่านจะไม่ประหารลดทรงริเตลอดมันก็ผิดหนักอิดผิดต่สังคมถ้ายัางไง้นท่าะต้องสั้งศีลอานี้ อันนี้ถ้าหากว่าเราจะเราจะเปลียนตัวมันจริงๆเลยนะเราจะขึ้นวนอันนี้เลยแต่คนจะไปล่ำรองเยอะหรกไม่นช่จะลองคนเดียวหรอกนะชี้อะไรฮะชี้อะไรครับนะชี้การงาน น, นั้นเนี<อ>่ยให้คนอื า, านทำให้คนอื่นเขาทำใช่ไ่มอ๋อครับไม่ใช่ว่าเราหนีแล้วไม่มีคนทำารอเยอะไป แล้วอดีตมันทําไปแล้วนะมันทําไปแล้วอดีตนะมันอะไรก็ทำมันจะมันดวนมันก็เป็นกรรมจิตใช่หรือเปล่ามันเิดกรรมจิตตัวเป้นเนี่ยเป็นนั่ก็เป็นแต่แล้วคือคิดอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเลยมาแล้วอดีตจะไปคานึงมันเลยอที่มันดีก็ดีมาแล้วมันถูกมันผิดมันมาผิดมาแล้วแต่มาอย่าไปคำนึมันเข้าใจก็แต่กรรมมันก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะกรรมมันยังอยู่ยังอยู่หากว่าเราเราทําในปัจจุบันนี้เน่ะแก้ไขถึงที่สุดมาแล้วมันก็ หายไปมันก็หายได้มันเป็นระโมสิติสามไดอันนั้นมันน้อยลงไอ้ไอ้สิที่เราทํามันดีขป้นมักจะให้ผลก่อนให้ผลเรื่อยไให้ผลเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างงั้นกำใหม่ําเก่าเนี่ยแล้วก็สร้างกาใหม่ขึ้นไปครับผมมันมีแต่ําเก่ามาเลยกำเก่ามันมีอยู่แล้วไม่ต่อมันแล้วสร้างกาใหม่ไปเนี่ยมันมากขึ้นนั้นก็ได้ครับบางทียุงๆทำมันเป็นอะโมสิติสามเป็นอะโมสิติสาเป็นอย่างนี้ยเป็นได้แลยนะให้อโมสิติสามได้ อาโหสุกรรมคือทำอะไรมันมากขึ้นมอน่ากขึ้นทีสิ่งที่ไม่เป็นอาโหสุกรรมนั้นก็เรียกว่าไม่ให้ผลดเียให้ผลมเมื่อเรามีชีวิตต่อไปไม่ไ้ไม่ให้ผลอย่างพระพาทิญญเคยฆ่าคนตายมาแล้วเคยฆ่าคนตายการมันจำทันจำชันก็เรียกว่าชันเส็จแต่ชีวิตนี่ท่านไม่ต่อตายดี้แะหมดแถวนี้ ทายลังก็ดถูกถ้ามันไปตามเราไปชาดไดไม่ไม่หมดในในนี้ถ้าเราทำกรรมมันนั้นน่ะมันโตกว่านี้อีกเรือนนะกรรมนี้ตามไม่ผ่านหมดแค่นี้ขาดันแค่นี้ก็จะขาดกรรมแค่นี้เหมือนกันใชอังคุริมาจนเขาเคมาน้านี่ครับยัถูหินคนน่ำเดือดด้วยเราเยมันก็ลกอรหันเล้ไปตจวตอนนั้นไปไม่มีแล้วครับคือเดียวไอ้กรรม ไอ้กรรมตัวนี้มันมันใครท่านเคยเราไปช่วยไปช่วยปลูกบ้านครับอืที่เราไปเข้ากับปลูกแล้วเนียแล้วไม่ทําอะไรนะคมันเป็นบ้านเขาแล้วคือกรรมนั้นใ้ผลเสร็จแล้วอย่างนี้มันก็หายไปนี่ไอ้กรรมมันหนักที่สุดไอ้กรรมดีมันหนักที่สุดเมื่นในปัจจุบันนั้นค่ะที่ยังไม่ให้ฝนก็ละไปเป็นโอ้ที่ทําไปอยงนี้แล้วทํากรรมใหม่ลบกรรมเก่าครับเขาที่มันลบได้นะที่มันลบไม่ได้ก็ไม่มีเติมต่อ ไม่ใชาตินี้เท่านั้นคล้ายๆแว่าเราเราทํากรรมแล้วมันหนอกแต่เราทํากรรมใหม่จนเจริญเป็นพระอรหันต์ละกิเลสได้กรรมเก่าตามทันในชีวิตนี้เท่านั้น่ะต่อไปไม่มีเลิกเท่านั้นให้ผลเท้านั้นเลิกอยากเลิกก็เ้าไปเอไปปฏิบัทีการรที่เรียกว่ากรรมดีปัจจุบันที่จะลบล้างกรรมเก่าได้น่ะมันต้องเป็นผล ปฏิบัติทำถึงขั้นอริย์ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้าปฏิบัติธรรมดาไม่ใชมันก็อาจจะไม่ ล, ลบได <ๆ S 1> ้ลบไม่พอรำลังไม่พอมีเยะมีพอแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะขอไปแย่งครนะทิ้งไม่พอเป็นต้นเราเราตามจนไม่หยุดไม่มีโอกาสจะขอไปแย่งครับเมื <c oughs> ออ่อต่อไปแล้วก็ทําการนั้นตออ่ตอไปกรรมนี้ก็มีอยู่ไม่หายแต่ไม่มีโอกาสจะขอไปแย่งครับ ตามกันไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยบางทีก็มดไปนะโอ้ยไอ้คมันตามไม่ทันเด็ดกว่าลึกก็อย่างนี้ก็มีนะแล้วยาโยชานานาเขาอย่างคำมก็อย่างคำเป็นบางอย่างนะ่้เราโรวในกอย่างนี้สวจอย่างเต็มที่นะอยู่ไปนานๆนานๆบางทีก็มันก็หายไอย่างคนอย่างคนเป็นนี้กันเถอะเป็นนี่กันน่ยเมื่อกลุมวันเจ้าหนี้สวัส์มันจะเอาเนี่ยแต่โอ้ยผมมีแล้วขอตองเถอะร้ายคีร้ายดเลยดีใจ ด้วยสบายเล ย, เลยก็เลยเจ้าหนี้ผมไม่หมจะมีแหมที่พิันลูงหนี้ผมยสบายกันเลยนะไปได้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะรอผลไม่ได้ครับขอาวพดดีสวนตัวเชื่วันนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเหี๋ยวจาใ้เท้านทํามถึก็ถึงตามได้บัติตามหน้าที่เออมันใกล้มันหน้าที่ในทางที่นั้นมันก็หน้าที่เราตัง้งขึ้นขึ้นมาเนีาา่ย ก็เป็นก็เป็นยังยังว่าเอ้าแกต้องฆ่าสัตว์นั่นโคลคอกเนี้ฆ่าไปเถอะเรืองนึงมันต้องฆ่าสิบตัวนี่มีหน้าที่ของเราไหมแล้วก็จำจำหน้าที่อย่นก็เป็นบาปด้งยนั่นแหละเนาะในชาติมันจะไม่เป็นบาปทำงานแทนหน้าที่ฆ่าสัตว์นี่แล้วไปสร้างมันขึ้นเป็นหน้าที่หน้าที่ที่มันถูกต้องจะหาว่าไม่ทําก็ไม่ได้ยังก็ไม่ได้ ที่มันไม่ ด, ไมไดีใช่กฎหมายจะไม่ใช่ธรรมะนะ <c oughs> <c oughs> กฎหมายไม่ใช่ธรรมะน ะ, อะไอ้ความเดืดขาดของกฎหมายจับมันมาฆ่าทิ่งประหารชีวิต <c oughs> นี่เดือดขาดเดืดขาดทางพุทธศาสนาเอออันิีจังทุกขังอนัตตานั่นมันไม่แน่นี่นี่ <c oughs> ไอ้ความเดืดขาดของทางพุทธศ า, าสนาก็ตําเป็น น, <c oughs> นี้เดืดขาดทางโลกเอาเป็นไปฆ่าท่านนี่มันเด็อดขาดมันเพิ่เดืดขาดไปคนได้อย่าง เป็นเรื่องของอย่างนี้นไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายถ้าไปทําตามกฎหมายมันในบาปอย่างนี้นะความเป็นจริงกฎหมายมันตั้งถึนในชุมช น, น, นของเรานนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาจากตําเลยแต่เพื่อปกป้องคนเที้ี่อย่างนี้เป็นต้นอย่ยางโค้ไอคนเนี่ยทํางานเพียรสวานไอคนนี้ทํางานนั้นเน่ยไอคนนี้จะต้องฆ่าหมูอคนเนี่ยต้องฆ่าไก่คนนี้ต้องฆ่าวัว น, นีเป็นต้นนะเราทํางานตานมน้นคือไม่ทําคิดไหมผิดสิคิดคนที่เขาตั้งนั่นแหละ เันเดือนไม่เคยขึ้นไหมชาคข้า ว, ขา ว, ขาวเขาทุกวันทุกวั น, วนติด ต, ต า, นามนาซีขเงินเดือนก็ขึ้นก็ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่ามันดีนั่นแหลนะมันดีเฉพาะ น, นั่นนะแต่ว่าไม่ดีป่ะตอเป็นย่างนี้มาแล้วับเพ่มามันก็เป็นอย่างนั้นผมเคยมีเรื่องหนคือว่าสุลายมันต้นเงินแบ่งแ บ, งงบ่งวิทยาที่ที่แบบยือกรร แม่ขึ้นมือหมกลางวันเสร็จแล้ววันมันลากตัวคนให้ลงมาลงมายิ้มตายคาสมอืกัก็จับได้เขื่อนสามผมไม่มีหนทางอ่ะต้องไปหาดินเจตนาที่หนีไม่พ้นเลยผมตัดสินใาร้านสูงสุดนะสถานการณ์ทีนี้เขาก็เอาเข้าคุกรลอบก่อนลงสิบวันเขาถึงจะ เหลือเวลาอีกเจ็วันมันแหกคุกตำรวจเลยยิงตายล่าคุกกั่นเลยออโนไปนะอันีม้นม to totally er. ันโอนผมไปด้ market market wow <im g ly> านนแปลกเลยแปลกันเลยนแปลงกินแลงกนนะตำรวจยตายแย่อายนมันแหคุกหลายคนถามนี่เลครับเรั้ อันนี้เราพูดเรื่องถึงทางความเป็นอยู่ของโลกเรานะความจริงๆก็เรียก ว, ว่าตามธรรมชาติธรรมดาของโลกเรามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ช่วงวันนี้ถ้าแข็งๆไอ้ค น, นนี้มันเสื่อมันเป็นยูกข่ามเลยมันขาดทุนไปหมดคนเป็นอยู่มีนั่นมัน่ะหมดเลยแค่บ้าไปเลข้ามัทิ้งเธอไปเลยหมดไม่ยุ่งก็ไม่หม ด, มหม ด, มหมดคุณเทียบยิ่งมากเลยยุ่งอะ่ะมีทางอะไรต่ออะไรทางนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้น ท้ามันหมดแต่ว่าสามีหมดเราตายไปก่อนยุงเงินเยอะเลยมันเป็นอย่างนี้ในทางที่ดีเลยว่ะอะไรทัศน์ใจมันไม่ปอดไัมันน้นอยลงลยอย่างเดมดขาดมีหลายแต่เรื่องมันติ ด, ดมันก็ติดมันก็ติดพูดพ้านธรรมะโลกมันยุ่งทำไมเรื่องธรรมะมันก็ต้องเป็นยุง่ง แบบขอ ง, งเรื่องธรรมะก็เป็นอย่างนี้เรื่องชั้นคมอย่าก็เป็นอย่างนี้เมื่อก็ต้องเป็นกันอยู่อย่างนี้นแหละเรื่อยๆไปคถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติการงานราษีอย่างเนี้นะโรคนี้มันก็ยิ่งวุ่นวายใช่าหมามันไม่มีระเบียบสังคมนะใช่ยังยกตัวอย่างเช่นนี้ซนะมีหมาม้าตัวหนึ่งนะแตวมันก็ไม่อยากเป็นบ้านเลยแต่มันเป็นเรื่องมันนะมันเรื่องครื่องมันก็รุ่นวา คนเนื้อไอ้ตัวนี้ไอ้สุนัขมันมีพิษใช่มันกัดคนมันเสียหายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจะทําไงมันฆ่ามันทิ้งเท่านั้นแหละมันมีพิษมันถ้าย้อนกลับมาพิษองเรนะคิดของคนเราน่ะจนฆ่าหมาบ้าตายยิ่งกว่าเรามีพิษนะไอ้ความจริงจริงคิดของมนุษย์นี่มันมากเลยเกินีเดียวน่ะ ถ้าไปม อ, องคิดของผู้อื่นมันก็ดฆ่าก็ตายแต่มามอนอกมาเดี๋ยวเรามีคิดอะไรบ้างไหมที่ <c oughs> จะม่ยอมฆ่าตัวเรามันคิดเยอะสิลองลองดูนี่ยนอกเป็นธรรมะตรงไปตรงมามันก็เป็นนี้ยังเรื่องการปฏิบัติธรรมะนี่มันจรป็นของยากพรว่ามันฝืนนันฆ่ากันแต่ว่าด้วยปัญญาของคนอย่างนี้อย่างคนที่ว่าถ้าบวชแล้วไม่หมดสติอันนั้นก็ไม่ได้จะมีใครจะบวชไหมนะหืมบวชกันนี่ได้ จะไม่บวชแตนื้อมันก็ไม่ได้จะเป็นคนดีมันทุกคนได้ัหมคนไม่ได้จะเป็นคนชั่วทุกคนถึงเือร์ตนไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอยู่อยางนี้เรื่องนี้โลกนี้ถ้าใครมีปัญญาก็ไก่เทียวพยายามให้มันน้อยไปน้อยไปติดเป็นเรื่องของบุคคนนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ถใช่ปล่อยยุคนี้มนุษย์ท่างหลายขั้นยากมนุษย์ท่างหลายจะอยู่ลําบากไอ้นี่เป็นต้นหลักงาใช่อันนี้ก็เรียกว่าลักลา เมนุษย์เนี่ยใครมีความเย็นเป็นจุดโรคทอ่มันมันก็นกผิดอยู่เนี่ยน้อยแหละมันก็เป็นอย่อยางเนี้ยครับมันมีได้หลายอย่างอือย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าจงให้ดูโลกทูทังหลายจงมารู้โลกนี่อันหน่าจะการดุราัสจรลดอันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่กรูู้หา่องอยู่ไม่ แน่มันไปต่อย่างเงี้ยใช่ะเออถ้าเรามาเจะาข้องเงิมึงข่ากูกูข้ามึงมึงขากูภาข้ามงอย่างนี้ก็ไม่จบแล้วรปพูดเที่ยวในศาสตร์ลงมาสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี่สู่ทั้งหลายก็เหมือนเรานั่งอยู่นี่แหละซู่ทั้งหลายไม่ใช่ยื่นกลแล้ลจงมารูโลกนี่อันหน้าอันาาโดดร่างอันรถนันพวกคนเขาหมกอยู่แต่เขารู้ ทั้งร้องไห้ทั้งทุกข์ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วไม่อยากจะไปที่ไหนแหล้วนะไอ้ตรงนี้จะไปทํามันเ่ยมันทุกคนไปกินไปแบะให้มันทุกข์ขึ้นมาไปทํำสิ่งที่มันทุกข์ไม่อยากจะให้มันทุกข์ไปทํำสิ่งที่มันผิดไม่อยากจะให้ผิดแต่พระพุทธเจาเติร์ดทำทั้งหลายทั้งหลวงเกิดพอกะสียนยีสังสารเลยเงินจะไปทําเีวรให้มันทุกข์เกิดมันก็ทุกข์สิอ่านั้นทํามารคงไมจริงสิทำมาของท่านเราไม่มีอานาจอะไร มันก็ม่ตรงอยู่มันก็เป็ น, นอยู่ันนันแแต่ใครแต่ใครที่ไม่มีปัญญาก็มก อ, อยู่คนบ้า อ, อย่างเดี๋ยวไวตายเกิดเรียนไว้าตายบุญยังง<น>วัดวจะจัไม่รู้กันใ่อบนบุญยังคนเอา่าตายไม่เกิดเรียก ว, ว่าบาปหลายถ้าพุทธเจ้าอย่าต้องเกิดมันมาเลยตอนนี้ก็ขหัดแล้วขัดเราอย่ากเกิดมา อยากไปแต่พันธ์ิพาลนู้นไม่อยากจะไปนะควรจะมีเห็นหน้าซีหน้าน้านองหน่าลูกหน้าล้านนะไม่อยากจะไปคือมันไม่เห็นห น, นั่นเองนันเป็นต้นนะถ้าว่าไม่เกิดแน่นันทันของบาปมากครับโลกเราทุกข์จะไม่เกิดนั่นดีดูที่เราเกิดจะมันีอะไรไหมใครมันสบายไหมคนรวยทุกไหมคนรวยประทุกคนจนทุกไหมคนจนกะทุ ก, ก, กเด็กมันก็ทุกแบบเด็กหนุงมก็ทุกแบบหนุ่แก่ก็ทุกแบบแก่ รวยก็ทุกแบบรวยจนมันก็ทุกแบบจนมีอำนาจก็ทุกแบบมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ทุกแบบไม่มีอานาจนี่เพราะอะไรเกิดมาแล้วมันต้องอยู่ในนี้จะทำงานมันทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าใส่ในทุกอย่างเนี้ยอืังไงคนเราก็ยัางไม่เล่นก็ยังมีศึกษาธรรมะไปพอาะเสียมันหลอกเพราะฉะนั้นอย่างอย่างวันเกิดมีแล้วไม่ควรหลุฉลองควรจะไว้ทุก การการที่ฉลองก็คือมันที่แจงให้ผู้ลับ ก, กันรเลยแหะฉลองเนี่ยี่ยอย่างวะอย่างว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทันว่าฉลองก็าัวมันดีแล้วมาเป็นมนุษย์นะแต่คนก็ถึงวันเกิดมาพอมาฉลองเขาจัดมันพลาดเลยนะนี่ฉลองวันเกิดเป็ น, ป น, ปนยังไงนะเอาเล่า ม, ามันดิ่กันก็ง่ายเนะนีะ่ะ เนี é, the passport, oven, yeah. chin, ่ยไตรย่ามีวันเกิดของเรานียไปส่งเสริมให้มันเมาอีกนะถ้าร้องมันเกิดแต่เห็นเห็นเห็นโทษในความเกิดเกิดที่มันเป็นที่มันเป็นชาติชาติแต่มันเป็นภพแต่มันเป็นชาติมันมีภพมันก็มีชาคือความเกิดครับมีความเกิดอย่างเดียวอะไรอะไรมันมีมาหมดทุกอย่างเลยที่มันเกิดมนจากความเกิดแค่หยุดไม่ไอดใช่ไหมมันจําเป็นบังคับจับมือ ในข้างพระพุทธเจ้ามีพรามฟังธรรมเหมือนการฟังทำพวกขันวาเนี่ยนจะเทศในความบาปมกเลยตามดูอยู่ว่าบาปเนั้นน่ากังอุอัดหัวใจแล้วแมมองไปขางหลังมีแต่บาปนั้นพอเราทามาเนี่ยเรยงเนี่ ย, ยบาปยังนั้น็ล้วทาจนปัจจุบันนี้ก็บาปจะทาต่อไปก็บาปเท่านัน้นปิดเลยพระพุทธศาสบาปท่านั้นตายจะทำยงไม่ายนะ ประเทศโมลงพวกคลานไปกล่าบพระภูมีแบคนั้น้ากับผมสงสัยแต่แล้วว่านี่เปนบานหรอ่ใจไม่ค่อยสบายจะทำยังไงผมเป็นคาราวาสินี่ฮากจินก็ไมได้กินลูกก็มีเมีก็มีอะไรก็มีเป็นเป็นคาราวาสยังไม่มีบวชให่พงม์ตนยังไงครับมันไม่แย่ที่มันบาปคนนั้นคลานบาปมันมีมตรทาพุทธภูมิทบาปมาแต่อ แต่ยังไม่รู้แต่ถ้ามันรู้จริงจังมันไม่กล้าเนาะทำบาปนะั่ะอันนี้เธอยังไม่รู้มันจริงเธอจรงกล้าทําบาปคาราวาสุดจำเป็นอย่างนั้นสถานที่เปลืองบาปออกมาเพาะสถานที่ทําบาปมนะันนี่เป็นเรื่องไม่ต้องทำบาปปีนี้รู้แล้วพอเลือกองมันคาราวาสุดจำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบาปก็จริงนะอะไรมันถัดข้องมันจําเป็นที่จะต้องทําหน่อมากนะ ก็ทำได้เจริทำมาก <c oughs> ต้านทาความเจริทำมากเรื่องจาไว้ไอ้พรามจำไว้ อ, ไวอย่าทำในมากคือมันจาเป็นที่สูดรเด็กประสามเช็คเจริจะจะทำมากนี่คน ห, นะรร ห, หนึ่งจำไว้นะพอที่สองเน่ยเยอะทำบ่อยๆนี่โอ้ตามบุรีใจเลยนะมันได้ทำเหนี่ยมันระบายออก มันผิดเ่ครั้งหน้าครั้งหลังมันทนไม่ไหวมันใจจะขาดมันไม่ได้ทำเลย <c oughs> จะมาให้ทาน้อยใจทำไม่พอพ อ, อไปวได้พอพยายามใก็สร้งใจแข็มาเยปฏิวัติทาอะไรมันซื้อจริง่ในครอบครัว ก, ก็ทำเด็กน้อโดยคนระวังสติอยู่ลูทําัู้จากว่างันผิดหรลูกจากนบนมาจะต้องทําพอาะจําเป็นอย่า ง, างีที่ทำจะวงรู้ แคร์ก็มันควรจะทํารอกเมื่อทำบ่อยๆนะเนี่ยนานทําทีทําทำสองยาวเนี่ยทําแต่น้อยกับเมื่อทบ่อยๆเห็นมันดีเข้าจิตใจก็พลอยเป็นธรรมไม่เก่งโทษอยู่คอค์ท่วมสมมากรึพื่อเห็นประโยชนในการรักสมทวมผมว่าเป็นต่อมากรค้คนจิตธทําปฏิบัติออกมากนดเพราะว่ามันทําแต่น้อยจะไม่ทำมากจะทําทบ่อยๆไม่ได้นะไม่ใทํำบ่อยการทําแต่น้อยกับเป็นทําทบ่อยๆ มันหมดได้นะเป็นหดได้แถวเนี้ยเพลียงความเียงคาราอยผมทางนายเป็นบาดซนั้นทาง้กบาทีบแบมันบาดไปหมดที่สบางคนก็แหออกไปเลยไได้แล้วอออย่าหวังบาตคนนี้เนี่ยแต่คุจะแจ้ารูกอินทรีย์ของท่านุนิสัยของท่านผ่อนท่านผนยาให้โอกาสที่จะเนนอย่างนั้นมันก็ป่อยได้เนี่ความเสียจริงๆเว่ามันไม่นักนะจร่งที่ว่าเราว่ามันหนักพเราไม่ถึงมันนักมัน่ถึงของหนัก ทมันชัดเลยแล้วนเหมือนก่อนี่ย่ยงนในในางปลาปลาทูเนี่ยปลาทะเลเนี่ยน้ำขุ่นน้เคมนอัศจรรย์มันเล่ะแสของอตานะนี่คือคนทาบาร์ทำไมมันมีส่วนอัศจรรย์เหมือนกันแล้วคนรู้สึกปลาในทะเลน้ำเ็มเนืนเหลืปลามันอยู่ในแสคามนก็เพาราะทำไม โองเขาปลาเั้นกเกิดไม่น้ำเสียองอย่าเขาลาเขเกิดในน้ำเสยงนะรูกคขาเกิดในน้าเสียงยยไม่ใชยพบน้าเสียงเลยเพรเสียอย่างไม่ได้สบายเลยในโลกนี้นี่น้ำซามโขความน้ำเสียอ่ที่มันแฉลบตายนะลายเลย้ายเลยนี่นมันะะมมคนที่ทำบาปใจเป็นงบาปมาพูดใ้ละบาปในทำบุญเหมือนตายบางคนถูกวิจารหน้าเดมันจะได้นะ่ะอย่าง แก่มา <còn ces> มันใครยางเป็นมันรู้เที่ยงอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเอะไรเกิดขึ้นมามีการปฏิบัติมันยากสุดอันนี้เป็นกันใช้งานอาหารมันมันเคยทามามัน้องมันยากแต่มันต้องมันยาวนี่มือกเปลี่นเป็นอย่างนี้นี่มันทาได้ใช น, น, นไหนทาได้แต่โค <ningar> ้ชทพยายามทามันตรงพื้นซะก่อนนั่นจำเป็นแต่ว่ายังไงก็ยอมรับเลยเถอะว่าอือเพราพวกฝรั่งที่จะมาไปรู้เทว่ามาลอทำอื ผมจะพยายามนีู่มาผมจะพยายามมีปัจจัยมันมีมันพยายามบางคนที่ไม่ตั้งใจไม่พยายามเลยนั่นแหละในลุ่นประตูแล้วนี่ทำมันดูว่าผมจะพยายามนี้มันในห้50ิตูล้ไอ้คพยายามตองคนที่มีพยายามต้องตามกนเยอะแยะนะคนที่มีพยายามเลยนอะไรกคอเนี่ยเลือสนกับประตูลจะพยายามนเป็นยันะมันยังคนกว่านะมันาข้ามันบอด้าเยอะแต่ละ voilà คนหีนไปมาส ย, ยามมันบ่สองข้านเลยอย่างนั้นเลพุทธิจาสันเถี่ยตีสอนว่าเรานับถือพุทธศารนานี้เราเป็นคนฟังลเลากเกณฑ์ขปงนฟังทำไมโดยที่เป็นฟังพอเรายัางไม่รู้จุดที่ถูกหรม่ถูฟังถ้าฟังก็ต้องเป็นคนฟัง อยางแนั้นจงเป็นอย่างั้นจงเป็นไม่ได้ย่าไป็สาสตร์สิหนึ่งเพราะเรายังไม่รู้เรามาฟังเยนเรียไม่รู้รับไวไปดูก่อนเป็นที่เป็นแม่ดูให้ภาวนาเรื่องของนารธรรมะพุทธศาสนาเรื่องภาวนาสุตตามรรยะปัญญามันได้วามอย่างวันนี้ก็มีปัญญาในรู้ขึ้นในหลายอย่างไหมวันนี้จิ่งในรู้ต่อใน ร, รู้ไม่ได้ยินก็ได้ยินขึ้นจิ่งที่มันรู้มายังโมยู่มัก็สว่างขึ้น เี่ยชือธรรมะอย่างนั้ี่ปัญญามันเกิดเข้ากันฟังกินธรรมาปัญญาเดี๋ยเราไปคิดออกจากนี่ไปพยายามคิดคิดอย่างเาดียวในความนี้แหละมันจะเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกนะต่อมานี่เป็นโลกียาวิสัยปัญญานี่ปัญญาจําเป็นการคิดและการฟังนี่นะปัญญาเก็บไว้ไม่ปล่อยที้งแบบปัญญาแบกบนะ ขึนไม่ได้มันเป็นโลตีไม่รสไซน์ดีก็ติดดีไม่ได้ไม่ยอมทิ้งดีสัญญานี้นะถ้ามาดีแล้วก็ไม่ยอมที่ติดดีอยู่นั้นแหละถ้าจว่าไม่ดีก็เอาดีอยู่นั่นะี่ยนะมันก็เลยเป็นของไม่ดีได้นะภาวนามายาปัญญาโนุชีปปัญญาจะหมดจะข้ามโลทีสังายแล้วนี้นะลองนั่งจำโนดจิต ร, รวมจนถึงที่มันนะ มันกกรนู้ความสมุนไพรตามๆคุณมาให้ปัญญาเกิดอย่างนั้นท่านจะเดียวหายปัญญาหรือมนันจริงกับปัญญา น, นั้นมันจะเป็นญาณ น, นะคือมันละเอียดกัปัญญาเข้าไปแล้วมันจะเป็นญาณเป็นญาณนี่คือมันรู้แปลกๆสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มันรู้มันรูน้คือวิสัยของมนุษย์ที่รู้ข้าไปที่จะตามไม่ได้ทานใน่ถึงมันจริงญาณหนึ่ง จะเป็นอดีตทางสยายน์อนาจักรยายน์อดีตทางสยายน์ปัจจุบันทางยายนยานอดีตยังมันรู้ทางอดีตนะย่ปัจจุบันมันรู้เรื่องในปัจจุบันอาานาคตบนตัวเรื่องของอนาคตนะตามเป็นทนี่นี้ก็เห็นว่าเช่นว่าอดีตเนี่ยถ้าตามปัญญาที่เราทาําอะไร ม, ม า, ามันทํามาแล้วเตาไม่ได้ความรู้อะไรที่มันเลยปัญญารอรแบปัญญาอย่างละเอียดเนี่ย ดีสุ้องปัญญาไหมอดีตจมันควนขึ้นอ่งนะ้นะ น, นี่วนขึ้นเพราอะไรที่ดีมันก็ดีมาแมันหายไปที่ไหนแล้วที่ผิดมันก็ผิดมาแล้วมันมหายไปที่ไหนแล้วแม่เออนี่ยังไปถึงโน้นใช่ก็เดียกว่าหมดพาระแล้วอดีตนี่นะทีนี้ <c oughs> ที่เราอยู่ตังวันนี้น่ะมันก็เป็นผลของอดีแตแหละอดีตเป็นเป็น ผลของอดีตเอย่ยงนี้คือปัจจุบันนี้มันปเป็นผลคือในตัวไม่มเกนะี่ยวนี่ยตัวีวเดียวนั่นจะหลับไปมันจะหลับในอานาคตอนาคตจะมีเป็นผลของปัจจุบันนี้แต่พรูที่สอนมาใครรู้ปัจจุบันนี้ดีกว่าถ้ารู้เรารู้ปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในเหตุผลเหตุอะไรเหตุของอานาคตผลอะไรผลของอดีต <c oughs> นี่นั่นคือเหตุผลนั้นจะอวทเหตุผลที่ไหนมันอยู่ปัจจุบันอย่างนี้ ว่าทุกวันเราทำอะไ ร, ร, อ, ะไรอยู่เราคิดไปอยู่ถูกดูกดีผิดดื้อาำอะไรอ่ดีอดีตไม่ต้องห่วงะอนาคตไม่ต้องห่วงวันเพราะวันมีเหตุผลออกจากปัจจุบันนี้นี่นี่ยดของพระโยคาวาจรเท่ากัอยู่ปัจจุบันนะอนาคตจะเอาเองนั่นเออนียเนาะอนาคตจะเป็นอย่างน e. ี้ของเนีมันงไม่เนียทั้งอนาคตยังไม่มาถึงนะให้มันเนอยู่ในปัจจุบันนี้ทานั้นเนาะอย่าคิดว่าอนาคตเป็นริดปัจจุบันนี้เ ก็เพราะอันนี้มันจะทำให้เหตุอนาคตจะเกิดขึ้นมาถ้ากรดูถึงไม่ต้องเทกผัวใหญ่อนาคตแล้วแต่มันรู้แต่ว่ามรูันรู้อยู่ว่าอนาคตมันมีอดีตมันมีปัจจุบันมันมีว่าเหตุผลมันมีแล้วก็ต้องรู้อยู่างนี้เสมอไปในตลอดที่อะไรมันนะทีนี้เราก็ไอการกระทของเรากระรวมในปัจจุบันเองเออแต่มันกรรวมกับมันเรื่องมันก็น้อยเข้าสิครับเราก็รู้จักจุดมันเด็แต่เรารู้จักจุดเราก็นั่งอยู่ในจุดมันนั่นแหละนะ อารมณ์ไที่จะเกิดขึ้นมากตนยังเชืว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปกรุงเทพนางคนเรารู้จักนะไม่ว่าเฉยๆหรอกแต่ทางในใจมันก็คิดว่าไม่แน่นะตัวความรู้ปีนีมันไม่แน่พุ่งนี้เราจะไปตรงนั้นนะว่ารับปากอะแบบพนใสุดยอดอเด็กางในว่าไม่แน่ทำไมค่อเพาะมันไม่ถึงมันีจัง อ ย, hmm. อย่างภูมิเลยไปท่งเที่ยวมันไปก็ไปเข้าว่าที่ควรจะไปมันมีทางควรจะได้ไปท้่ไม่ควรจะไดปนะอย่าง so างนี้เราขวดท่องเขานมากมามันก็ไปไม่ได้เห็นไมเพราะมันมีแน่นอนอย่างนั้นอยาที่มันิีจังนักราสโทษดและมนที่มอนมีจังมันเป็นของแน่นอนอยู่อย่างนั้นไปเปลี่ยนแต่จะไปไหวใจมันมากอบบนี้นี่เดียว้อาไปในธรรมะนักศาตรดที่พูดในที่มันมีจังยาที่มนมีจังเลยอย่างนี้ นี่คือการปฏิบัติที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันกระลุกกระลั่วสบายนั่งทีเตรียมของหนึงรอบอีู่เสมอเฉะนั้นอันนี้ก็เรียวว่ามันเกิดเกิดจากความโกรธซึ่นั่งอยู่ทำมันรู้เรื่อนมันน่ะมันก็สงบนะมันก็สงบเมื่เราจะลืมตาเยอะแค่ไหนจิตก็สงบไม่ต้องหลับตามันก็สงบหลับตามันก็สงบบิมตามันก็สงบมันก็เป็นมเพราะอุิเหตมันเข้ามาทุกครั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันเข้ามาเตรียมเราลืมตาหรับตาก็เข้ามานะครับ ส, ส้คงกข้าวข้าแกงไส่กว่าจ <c oughs> ืายใช่เพ <c oughs> ราินนิ่งขนาดเลยกินเนีนะ่ยต็มเลยนั่นหนั่นแหละครับทำไมถึงเป็นงั้นเพราะว่าสินทั้งหลายอย่างนั้นมันแอบเกิดที่นตรงนั้นรเรียกว่าพยมานที่เราจะปลูกผักจะแปลงนี่นะรกกนะเราทำแปลงมันให้ดีนะปลูกผักลงไปแล้วก็รถหน้ากอปุ๋ย ม, มาใส่ หญ้าเชี่หมูอันที่ของเราไม่ต้องการนก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่ไม่ยอมยึ่ตรงนั้นนะตรงที่เราต้อกใจนน น, นะนี่เราจะเข้าใจถอนหญ้าไม่ใช่เราคเออหญ้าเหี่ยวหมูก็เอาพักก็ผักก็เอาเนี่มันก็ไม่ได้อะไรควรไม่ควรไหมผักควรเก็บไว้หญ้าก็ถอนดอกลักษณะการละมากร่อนมันดอกมันกควรจะจะผักเราผักเราก็มีโอกาสที่จะโตขึ้นจะใหญ่ขึ้นจะดีขึ้นเท่านั้นเนี่ อย่าว่าเราทําดีแล้วไม่มีอะไรมา่นาแน่มันยิ่งปวดนะผักต า, า, ามสาระแรงยิ่งมากเท่านั้นแหละหญ้าม ก, ก็ยิ่งมาเกิดเท่านั้ น, นแหละเราจะคนรักษาผักจะรูไม่ว่าอะไรควรไม่ควรมันอะไรควรละอะไรควรเอาไหมมี่จะปล่อยทิ้งไปนั้นเลยเอาไป็นท่ญ้าทัานผักมันจะดีไหมเป็นหน้าซีของเราจะดีใจของเราอยู่ดีๆนะอย่างนั้นอีกเราก็จยุดเวลาให้เรามันต้องทําตามหน้าที่มันมีช่องอย่างแน่ อย่างจะนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วมันมีธรรมะอย่างนี้แล้วมันเลมีข้อปฏิบัติอยู่ทีนั้นเนี่ยสุขละสิ่งได้นั่นท่านเรียกว่ามันอ่าเป็นภาวนาไมายะปัญญาครับปัญญาเกิดจากการภาวนาอันนั้นเป็นท่านโลภุตระจะไปโลพุตราะรมเนี่ยมันจาเป็นยนั้นไม่ต้องถามเนี่ยอืนั่นก็ไม่จำเป็นต้องถาม ทำไมจะไม่ต้องถามคือมันมันไม่มีเรื่องที่จะต้องถามทั้งนั้นนะไม่มีเรื่องที่จะต้งถามคือมันหมดเรื่องหมดเรื่องยังไงอะไรอะไรเลยนะของเ่านี้ปัญหาแต่เราหาพบแล้วแล้วก็หมดเรื่องถึงจะทงบุญคนนั้นเนี่ยคมันก็ยังไงจะเราเปรียบกันมามันมีอยู่ในนั้นเนี่ยเออยยังงั้นมันก็สงบมันหมดเรื่องมันก็สงบล้วก็ตรงอยู่มัน มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าที่เรียนามางเ้ยนมีประโยชน์ที่เสบายแต่นั้นเนี่ยทำงานซีไม่ยากพูดก็ไม่ค่อยยากนะฟังก็ไม่ค่อยยากแต่ว่าปฏิบัติที่ที่ไุ้หน้าของไม่ยากทาของยากไม่ได้ทมพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่าในยามหน้าศิษย์ <S <S อ, อย่างนั้นธรรมะที่มีมีคุณฆ่าจริงยามหน้า ทำคนทาคนข่วนตอนทำคนชั่มาละคนข่วอะไรก็บพ่อเก่าเยนยำมาอือผมวลครับในเมืองไทยต้องมีอาริยบุคคลนี่อือใช่ครับอือแต่ว่าท่านก็ไม่เคยว่านั่นนะท่านบอกเองไม่ได้บอกเองแต่ว่าเรามีแม่เราไม่ดูเสียอยู่ถ้ามีระช้าก็จะมีคนตายนะนะถ้ามีบ้านคนตรองมีระชาอยู่ไม่ขาดอย่างนั้นก็มั ผลยังมีอยู่ในโลกภาริยบุคคลก็ต้องมีอยู่เออเนันมีเทยวเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายไหมแน่นอนเลยถ้าเกิดแล้วต้องตายอย่างนี้ดีชั่วบาบุญนี้ต้องเป็นดีอย่างนั้นมีอยู่มัดผลถิ่นจะมาที่ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นที่ไหนต้งมีที่นั่นไม่ต้องสงสัยแล้ว